ปันนาวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันสองรอนุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขายยตนะบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกําลังกําหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขายยตนะใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้โสาตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขายตนะใช่ไหมวิใช่สองอติตวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตสองห้าสอนุ บุคคลใดเคยกำหนดรู้จากขายตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดเคยกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จากขายตนะใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่เคยกาหนดรู้จากขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิใช่ปิ บุคคลใดไม่ใช่เคยกำหนดรู้โสตายยตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยกำหนดรู้จักขายยตนะใช่ไหมวิใช่ 3. อนาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคต 251. อ, อหออนุบุคคลใดจะกำหนดรู้จักขายยตนะบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้โสตายยตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจะกำหนดรู้โสตายยตนะ บุคคลนั้นก็จักกาหนดรู้จักขายยตนะใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่จักกาหนดรู้จักขายยตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกักกาหนดรู้โสตายยตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายยตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขายยตนะใช่ไหมวิใช่สปัปจุปันนาติตะวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีต252อนุบุคคลใดกำลังกําหนดรู้จากขายตนะบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยกําหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขายตนะใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดไม่เชื่อกาลังกําหนดรู้จากขายตนะ บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายจตณะใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่ยวกำลังกำหนดรู้จากขายจตนะแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้โสตายจตนะเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหันตมรรคและอรหันตะบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กาลังกำหนดรู้จากขายจตนะและก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายจตนะปติบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขายาตนะใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักไม่เคยกําหนดรู้โสตายาตนะแต่ไม่ใช่ไม่กําลังกําหนดรู้จากขายาตนะเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักและอรหันต์แบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยกําหนดรู้โสตายาตนะและก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขายาตนะก็ใช่ 5. ปัจจุบันนานาคตวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคต253อนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จากขายาตนะบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้โสตายาตนะใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจะ ก, กำหนดรู้โสตายาตนะบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จากขายาตนะใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขายาตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายาตนะใช่ไหมวิบุคคลผู้จักได้มักไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขายาตนะแต่ไม่ใช่จักไม่กำหนดรู้โสตายาตนะอรหันต์ตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มักไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขายาตนะและก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายาตนะปฏิ บุคคลใดไม no ่ใช่จักกำหนดรู้โสตายยตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายยตนะใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมักไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายยตนะแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขายยตนะอรหันตต่อบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุทุชนซึ่งจักไม่ได้มักไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายยตนะหก อตีตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตสอง้อยห้าสิบสี่อนุบุคคลใดเคยกาหนดรู้จักขายยตนะบุคคลนั้นก็จะ ก, กาหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิไม่ใช่ปติบุคคลใดจะ ก, กาหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็เคยกาหนดรู้จักขายยตนะใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จากขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิบุคคลผู้จักได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้จากขายตนะแต่ไม่ใช่จักไม่กำหนดรู้โสตายตนะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้จากขายตนะแล้วก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะปฏิ บุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขายตนะใช่ไหมวิอรหันต์แบุคคลไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้จากขายตนะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะและก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขายตนะปริญญาวาะโจร อายตนะยามกะจบทาตุยมกะหนึ่งปัญญติวาระอุเทศหนึ่งท่าสิบแปดคือหนึ่งจากหุธาตุสองโสตธาตุสามคานธาตุ 4. ชิวหาธาตุ 5. ากายธาตุรูปธาตุเสัทธธาตุแปดันธาธาตุรสธาตุสโพธพาธาตุสบดจักรวิญญาณธาตุสิองโสตะวิญญาณธาตุสิบามคาณวิญญาณธาตุสิบส่ชิวหาวิญญาณธาตุสบหกายวิญญาณธาตุสิบหมโนธาตุ สิเจ็ดโมโนวิญญาณธาตุสิธรมมธาตุหนึ่งปะทะโสธนะวาระอนุโลม 2. จักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมจักขุธาตุเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นโสตะธาตุใช่ไหมโสตะธาตุเป็นโสตะใช่ไหมละถึงจักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมจักขุวิญญาณธาตุเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหม มโนเป็นมโนธาต์ใช่ไหมมโนธาต์เป็นมโนใช่ไหมโญญมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณธาต์ใช่ไหมมโนวิญญาณธาต์เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมธรรมเป็นธรรมธาต์ใช่ไหมธรรมธาต์เป็นธรรมใช่ไหมปัจจเนกะสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นจกักขุกไ ม, ม่เป็นจกักขูกธาต์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจกักขูกธาต์ไม่เป็นจักขูใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตะธาติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะธาติไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณไม่เป็นจักขุวิญญาณธาติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณธาติไม่เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมโนธาติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนธาติไม่เป็นมโนใช่ไหม สภาวธรมมมวธรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม e ่ divine, เป็นธรรมะธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมสองปะทะโสธนะมูลจักรวาระอนุโลมสจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตธาตุใช่ไหม จักขุเป็นจักขุท่าใช่ไหมธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมพึงผูเป็นจักกณัยในทาตุยมกะนี้เหมือนในอิยตนะมยมกะปจจนกกะห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุท่าใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุท่าใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานาธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมะธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมะธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมะธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหม พึงผูเป็นจักกันในสามสุทธาตุวาระอนุโลมหจจกขุเป็นท่าใช่ไหมท่าเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นท่าใช่ไหมท่าเป็นโสตะใช่ไหมคาณะเป็นท่าใช่ไหมชิวหาเป็นท่าใช่ไหมกายเป็นท่าใช่ไหมรูปเป็นท่าใช่ไหมสัทธะเป็นท่าใช่ไหมคันทะเป็นท่าใช่ไหม รัศะเป็นธาตุใช่ไหมโพธพภะเป็นธาตุใช่ไหมจะขวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นจกขวิญญาณใช่ไหมโสตะวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตะวิญญาณใช่ไหมภาณวิญญาณชิวหาวิญญาณก่ายวิญญาณมโนเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นมโนใช่ไหมมโนวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมธรรมเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นธรรมใช่ไหมปัจจ尼กะเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวะธรรมที higher, ท่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคานะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นชิวหาสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธะะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักโผวิญญาณไม่เป็นธาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตไม่เป็นจักโผลวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานาวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายะวิญญาณ ไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นกายวิญญาณใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมสี่ สุทธ า, ทาตโตโมลจักรกวาระอนุโลมแปดจักรครุเป็นท่าใช่ไหมท่าเป็นโสตใช่ไหมจักรครุเป็นท่าใช่ไหมท่าเป็นธรรมใช่ไหมธรรมเป็นท่าใช่ไหมท่าเป็นจักรคุใช่ไหมธรรมเป็นท่าใช่ไหมท่าเป็นมนโนวิญญาณใช่ไหมพึงผูกเป็นจกกนักรในปัจจเนกาเก้า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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมพืงผูเป็นจักกนัยปวติวาระอุเทศจบหนึ่งปัญญติวาระนิเทศหนึ่งปทโสธนวาระอนุโลมสิบอนุจักขุเป็นจักขุธาใช่ไหมวิที่ประจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุธาต จกักขุธาตุเป็นจกักขุก็ใช่เป็นจักขุธาตุก็ใช่ปฏิจกักขุธาตุเป็นจักขุใช่ไหมวิใช่อนุโสตะเป็นโสตธาตุใช่ไหมวิที่ประสตะตันหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตธาตุโสตธาตุเป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตะธาตุก็ใช่ปฏิโสตธาตุเป็นโสตะใช่ไหมวิใช่อนุ คานะเป็นคานะธา right? so. ติใช่ไหมวิใช่ปฏิคานะธาติเป็นคานะใช่ไหมวิใช่แม้ชิวหาก็เหมือนกับคานะธาติอนุกายเป็นกายธาติใช่ไหมวิเว้นกายธาติแล้วสภาวะธรรมกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายธาติกายธาตเป็นกายก็ใช่เป็นกายธาติก็ใช่ปฏิกายธาติเป็นกายใช่ไหม วิใช่อนุรูปเป็นรูปปัทธาใช่ไหมวิเว้นรูปปัทธาแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปปัทธารูปปัทธาเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปปัทธาก็ใช่ปฏิรูปปัทธาเป็นรูปใช่ไหมวิใช่สัทธะก็เหมือนกับภานะอนุคันทะเป็นคันทะธาใช่ไหมวิศีลคันทะกลิ่นคือศีลสมาธิคันทะ กลิ่นคือสมาธิปัญญ า, าคันทะกลิ่นคือปัญญาเป็นคันทะแต่ไม่เป็นคันทะาธาตุคันทะาธาตุเป็นคันทะก็ใช่เป็นคันทะาธาตุก็ใช่ปฏิคันทะาธาตุเป็นคันทะใช่ไหมวิใช่อนุรสะเป็นรสะธาตุใช่ไหมวิอัธรสธรรมรสวิมุติรสเป็นรสแต่ไม่เป็นรสะธาตุรสะธาตุเป็นรสก็ใช่เป็นรสะธาตุก็ใช่ ปฏิร yep? ัสถ้าเป็นรสใช่ไหมวิใช่โพธะะก็เหมือนกับคานะอนุจักรวิญญาณเป็นจักขรวิญญาณท่าใช่ไหมวิใช่ปติจักขรวิญญาณท่าเป็นจักรวิญญาณใช่ไหมวิใช่อนุโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกลายาวิญญาณอนุมโนเป็นมโนท่าใช่ไหมวิ เว้นโนธาตุสภาวะธรรมที่เหลือเป็นมโนแต่ไม่เป็นมโนธาตุโนธาตุเป็นมโนก็ใช่เป็นมโนธาตุก็ใช่ปฏิมโนธาตุเป็นมโนใช่ไหมวิใช่อนุมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิมโนวิญญาณธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมวิใช่อนุธรรมเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิ เว้นธรรมธาตุแล้วสภาวะธรรมที Palmer ่เหลือเป็นธรรมแต่ไม่เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุเป็นธรรมก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ปฏิธรรมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมวิใช่ปจนิกะสิบเอ็ดอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุธาตุไม่เป็นจักขุใช่ไหมวิทิพจักขุ ปัญญาจักขุไม่เป็นจักขูทธาตุแต่เป็นจักขูเว้นจักขูและจักขูทธาตุแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูก็ใช่ไม่เป็นจักขูทธาตุก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตะธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโสตะธาตุไม่เป็นโสตะใช่ไหมวิทิปโสตะปัญหาโสตะไม่เป็นโสตะธาตุแต่เป็นโสตะ เว้นโสตะและโสตะธาตุแ so ล like ้วสภาวธรรมที right. you know, the the ่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสตะธาตุก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานะธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะธาตุไม่เป็นคานะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาท่านย่อคําว่าอามันตาใช่ ไว้ท One ั้งอนุโลมและปฏิโลมอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายะธาตใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายะธาตไม่เป็นกายใช่ไหมวิเว้นกายะธาตแล้วกายที่เหลือไม่เป็นกายะธาตแต่เป็นกายเว้นกายและกายะธาตแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายะธาต์ก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปประธาใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปประธาไม่เป็นรูปใช่ไหมวิเว้นรูปประธาแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปประธาแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปประธาแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปประธาก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นคันทะธาตใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะธาตุไม่เป็นคันทะใช่ไหมวิศีและคันทะสมาธิคันทะปัญญาคันทะไม่เป็นคันทะธาตุแต่เป็นคันทะเว้นคันทะและคันทะธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคันทะก็ใช่ไม่เป็นคันทะธาตุก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นรสธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นรศัศธาตไม่เป็นรศัศใช่ไหมวิอัทธรสธรรมรสวิมติรสไม่เป็นรัศธาตแต่เป็นรศัศเว้นรัศและรัศธาตแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรศัศก็ใช่ไม่เป็นรศัศธาต์ก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธพภะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขวิญญาณไม่เป็นจักขวิญญาณธาตใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นจากขวิญญาณธาตุไม่เป็นจากขวิญญาณใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายะวิญญาณอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมโนธาตุใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนธาตุ ไม่เป็นมโนใช่ไหมวิเว้นมโนธาตุแล้วมโนที่เหลือไม่เป ii, advertis, ็นมโนธาตุแต่เป็นมโนเว้นมโนและมโนธาตุแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นมโนธาตุก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมวิใช่ อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมะธาต์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะธาต์ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิเว้นธรรมะธาต์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมะธาต์แต่เป็นธรรมเว้นธรรมและธรรมะธาต์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมก็ใช่ไม่เป็นธรรมะธาต์ก็ใช่สองปัฏะโสธนะมูลจักรวาระอนุโลม สิอนุจักขุเป็นจักขุธาต์ใช่ไหมวิทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุธาต์จักขุธาต์เป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุธาต์ก็ใช่ปฏิธาต์เป็นโสตธาต์ใช่ไหมวิโสตธาต์เป็นธาต์ก็ใช่เป็นโสตธาต์ก็ใช่ธาต์ที่เหลือเป็นธาต์แต่ไม่เป็นโสตธาต์อนุจักขุเป็นจักขุธาต์ใช่ไหมวิ ทีป <acaba> จักขูปัญญาจักขูเป็นจักขูแต่ไม่เป็นจักขู่ธาตุจักขู่ธาตุเป็นจักขูขขก็ใช่เป็นจักขู่ธาตุก็ใช่ปฏิธาตุเป็นคานาธาตุใช่ไหมปฏิธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมาธรรมาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุปัญญติวาระในธาตุยมกะเหมือนกับในอายตัญยมกะ พึงผูกเป็นจักรไนปัจจ尼กะสิบสามอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขผูกไม่เป็นจักขผูท่าใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทตาไม่เป็นโสตท่าใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขผูไม่เป็นจักขผูท่าใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทตาไม่เป็นคานาท่าใช่ไหมอนุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิใช่พึ่งผูเป็นจกนักรไนทั้งหมดใช้คําตอบว่าอามันตาใช่ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแม้ในธาตุที่เหลือสสุทธาตาตุวาระอนุโลมสิบสอนุจักผูเป็นธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิธาตุเป็นจักผูธาตุใช่ไหมวิ จกักขโหธาต์เป็นธาต์ก็ใช่เป็นจกักขโหธาต์ก็ใช่ธาต์ที่เหลือเป็นธาต์แต่ไม่เป็นจกักขโหธาต์อนุโสตะเป็นธาต์ใช่ไหมวิใช่อนุคานะชิวหากายรูปสัทธะคันทะรสะโผฏฐะอนุจกักรวิญญาณเป็นธาต์ใช่ไหมวิใช่ปฏิธาต์เป็นจกักขรวิญญาณหรธาต์ใช่ไหมวิ จักรวิญญาณธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นจักรวิญญาณธาตุก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นจักรวิญญาณธาตุอนุโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณอนุมโนเป็นธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิธาตุเป็นมโนธาตุใช่ไหมวิมโนธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นมโนธาตุก็ใช่ ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่ใช่มโนธาตุอนุมโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิธาตุเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิมโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นมโนวิญญาณธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุอนุธรรมเป็นธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิ ธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุปัจนิกะ15อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิเว้นจักขุแล้วธาตุที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นธาตุเว้นจักขุและธาตุแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ปติ สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักรภูธาตุใช่ไหมวิใช่ใชอน before, สุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิเว้นโสตะแล้วเว้นคานะแล้วเว้นชิวหาแล้วอนะสุสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นกายยธาตุใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิเว้นรูปแล้วเว้นสัทธะคันทะรสะโพธะะจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเว้นมโนมโนวิญญาณแล้วอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมะธาตุใช่ไหม วิใช่สสุาทธาธาตุโมูลจักรวาระอนุโลมสิบหอนุจักขุเป็นธาติใช่ไหมวิใช่ปฏิธาติเป็นโสตธาติใช่ไหมวิโสตธาติเป็นธาติก็ใช่เป็นโสตธาติก็ใช่ธาติที่เหลือเป็นธาติแต่ไม่เป็นโสตธาติอนุจักขุเป็นธาติใช่ไหมวิใช่ปฏิ ธาตุเป็นคานาธาตุใช่ไหมปฏิธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุพึ้นผูเป็นจักรไนปัจจเนกะสิบเจ็ดอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขผูไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิเว้นจักขผูแล้ธาตุที่เหลือไม่เป็นจักขผูแต่เป็นธาตุเว้นจักขผูและธาตุแล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขูไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิเว้นจักขูแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูแต่เป็นธาตุเว้นจักขูและธาตุแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ปฏิ สภาวะธรรมที riad, ่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานาธาตุใช่ไหมปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมะธาตุใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิใช่เพึ่งผูกเป็นจักกนัยเพึ่งขยายปัญญติวาระแห่งทาตุยมกะให้พิดารเหมือนอายตนยญมกะปัญญติวาระนิเทศจบสองปวติวาระหนึ่งอุ ป, ปาทวาระหนึ่งปัจจุปัณ น, นวาระ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 จากขูกท่าของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสตท่าก็กําลังเกิดปฏิโสตท่าของบุคคลได้กาลังเกิดจากขูกท่าของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จากขูกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตท่าของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขูกท่าไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีโสตะและจากผ were, ูกเกิดได้ก <Great. S 1> ําลังอ <iti>, ุบ <allt> ัติโสตท่าของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และจักขู่ท่าก็กําลังเกิดอนุจักขู่ท่าของบุคคลใดกําลังเกิดคานาท่าของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขูเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขู่ท่าของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานาท่าไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูและคานะเกิดได้กําลังอุบัติจักขู่ท่าของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานาท่าก็กําลังเกิดปฏิ คานาท่าของบุคคลใดกําลังเกิดจากขู่ท่าของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานาท่าของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขู่ท่าไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติคานาท่าของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจากขู่ท่าก็กําลังเกิดอนุจากขู่ท่าของบุคคลใดกําลังเกิด รูปปัททะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปปัททะของบุคคลใดกําลังเกิดจากขูกท่าของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดได้จากขูกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปปัททะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขูกท่านไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปและจากขูกเกิดได้กําลังอุบัติรูปปัททะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และจักระท่าก็กําลังเกิดอนุจักระท่าของบุคคลใดกําลังเกิดมโนวิญญาณธาตุของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมโนวิญญาณธาตุของบุคคลใดกําลังเกิดจักระท่าของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู gro en gro en. ้มีจิตเกิดได้จักขะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมโนวิญญาณธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักระท่าไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจิตและจักขูเกิดได้กำลังอุบัติมโนวิญญาณธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขู่ธาตุก็กำลังเกิดอนุจักขู่ธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดจักขู่ธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติ ธรรมธาของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขู่ธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจกักขูเกิดได้กำลังอุบัติธรรมธาของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขู่ธาตุก็กำลังเกิดพึงจำแนกธาตุยามกกะให้เหมือนกับอิยตนะยมกกะคือพึงทําให้เหมือนกันสามปริญญาวาระ 19. อนุบุคคลใดกาลังกาหนดรู้จกักขูธาตุ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้โสตะท่าใช่ไหมวิใช่ท่าตุยม ก, กะบริบูรณ์โดยการละข้อความไว้ท่าตุยม ก, กะจบ